เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นและสติสัมปัญญะเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างผลิตเครื่องมือที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่เข้าใ จ, จาเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเข้าใจด้านจิตใจซึ่งเป็นส่วนลึกของชีวิตสติสัมปัญญะเป็นตัวที่เข้าไปรู้อารมณ์ท้านจิตใจไปเห็นต้นตอของปัญหาเห็นต้นตอของความทุกข์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 และจับละไได้อีกหลายอย่างที่เราคิดไปถึงว่าเราทำได้แต่ขอลองทำตัไหน่อยมันเกิดการท้าทายเนี่ยแลวมันก็ทำได้สำเร็จแต่บางอย่างเราทำไม่ได้ป็นอุปรสรรค์ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ขาดทุนหรอกแต่มันได้กาไรที่ว่าเราได้เจริญสติได้เจริญสติไปกับการฝ่าฟันอุปรสรรคกับการท้าทายตัวเองได้สติได้ประสบการณ์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 ได้ประสบการ์เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆมากมายพราะเราท้าทายตัวเรเองเนี่ยแต่ว่าถ้ามันทำได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้กำลังใจเกิดกำลังใจเกิดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นฐานของจิตใจที่จะทาในสิ่งที่มันยากการทำสิ่งที่ยากคือการเอาชนะใจตัวเรเองก็พยายามทำในส่วนนี้เพราะนั้นการเจริญสติไปกับการใช้ชีวิตเนี่ย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 จิตใจมันก็สดใสเบิกบานมองตัวเองมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อจิตใจดีเนี่ยมันมองอะไรก็ดีทํางานก็ดีมันดีไปหมดอะตอนแรกเนี่ยตัวเองมีความกังวลว่าในสภาพเช่นนี้เราจะสแสวงหาความสุขได้อย่างไรมันก็ถามเองอยู่เรื่อยเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วแต่พอมาใช้ชีวิตด้วยการจริตสติในแต่ละวันเนี่ยสุขไม่ต้องสแสวงหา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 ครบที่สี่สิปดาษาหรือไงเนี่ยบวชสี่สิบเก้าวันมีผู้บวชสี่สิบเกคนไปขอบวชกับลุงพ่อคำเขียนว่าคำเขียนอนุญาตเพราะเห็นว่าคนพิการเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้แต่เจ้าหนาจังหวัดเนี่ยไม่อนุญาตเพราะผิดวินยัยโอคนพิการก็จิตตกเหมือนกันนะตั้งใจเอย่างดีเลย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 คนปกติและคนพิการที่เห็นภายในวัฏสงสารก็สามารถที่จะเป็นผลานได้เหมือนกันถ้าว่าเราอยู่โดยชอบคืออยู่โดยปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมมรคมีองแปดเนี่ยก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรเกินสติสัมปัญญะสติสัมปัญญานี่นะถ้าเราสร้างวัดบา่อยๆเจริญบ่อยๆเนี่ย สติมันจะมาทันเวลาที่มีทุกข์มายเยือนจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเราได้ผมถือว่าสติธรรมะชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเปรียบเสมือนแพทย์ทางรอดเป็นแพทย์ทางรอดทางด้านจิตวิญญาณเป็นในพาทที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคเปลี่ยนโสให้เป็นสุขเปลี่ยนทุกข์ให้ไม่ทุกข์อย่างน่าอัศจรรย์